ล้วก็ขอเจริญพรนะทวกเราทุกๆคนด้วยอันในวันนี้จะได้มาบรรยายในภาคบ่ายบรรยายเกี่ยวในเรื่องของการเจริญกรรมฐานตามที่คุณโยมได้เคยปรารถนาจะจะฟังพอพูดถึงในเรื่องของกรรมฐานเนี่ย ในยะที่พระบรมศาสดาได้ทรงเทศนาแล้วกล่าวกันไว้นั้นเนี่ยเป็นไปในส่วนของกรรมฐานที่นี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของกรรมฐานในชีวิตประจําวันก็อีกอย่างแล้วก็กรรมฐานที่บุคคลที่พึงปรารบและปรารถนาที่จะกระทําอย่างต่อเนื่องก็อีกอย่างหนึ่งคำว่ากรรมฐานศัพท์เนี่ยเขาแปลว่าเป็นที่ตั้งของการงาน เป็นที่ตั้งของการงานคาว่ากรรมฐานสับนี้ทีนี้กรรมฐานนั้นน่ยถามว่าเป็นที่ตั้งของการงานอะไรก็ต้องไปดูในลักษณะอีกคาหนึ่งที่บอกว่าคําว่าภาวนาคาว่าภาวนาภาวนาในคานั้นเนะ่ยเขแปลว่าทำให้เจริญขึ้นทำให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป็ตรงกับคาว่าภาวนาเหมือนกันกรรมฐานเนี่ย มีทั้งสมถกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานถ้าหากว่าสมถกรรมฐานนี่เป็นอุบายที่จะทำให้จิตสงบในที่นั้นน่ะท่านมุ่งถึงตัวเอกะขะตาคือในขณะที่จิตนั้นรับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเวลานานๆในขณะนั้นชื่อว่าจิตนั้นมีมีกรรมฐาน เคือมีอารมณ์ที่พึงเพ่งหรือพึงพิจารณาพึงใส่ใจนั่นแหละแต่มุ่งหวังเพื่อสมาธิเป็นที่ตั้งแต่ถ้าหากเป็นวิปัสสนาปัญญาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาวิปัสสนาเนี่ยป็นชื่อของปัญญาโดยเฉพาะแล้วก็ปัญญานั้นก็จะต้องไปรู้โดยปการะต่างๆรู้โดยประการะต่างๆคือรู้ยังไงรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตา อย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาทีนี้ถามว่าไปรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั้นน่ะถามว่ารู้อะไรต้องไปรู้อะไรไอ้ตรงนี้นี่แหละที่ว่าเป็นเป็นประเด็นที่จะต้องเข้าใจก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นว่าในขณะที่เราไปพิจารณาดูร่างกายของพวกเราเนี่ยโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตา ก็จะต้องไปทําความเข้าใจเลยนะโดยโดยภาษาโดยความเข้าใจจะต้องไปศึกษาก่อนว่าคาว่าไม่เที่ยงเนี่ยใคร ๆ, ๆก็พูดกันโดยทั่ ว, วไปใช่ไหมชาวบ้านมากักจะพูดกันมากว่ามไม่เทียยเท่ยงไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เทียเ่ยงเต็มไปหมดแต่ไม่เที่ยงในความหมายของชาวบ้านกับคำไม่เที่ยงในภาษาของพระท่านนั้นนะคนละอย่างกันเลยเนี่ยคนละอย่างกันเลยทีเดียวที่บอกคนละอย่างนั้นก็เพราะว่าคําว่าไม่เที่ยงนั้นเนี่ยคือมีแล้วกับไม่มี มีแล้วก็หายไปนั่นคือภาวะที่ไม่เที่ยงส่วนทุกข์นั้นเนี่ยในความหมายของชาวบ้านก็อีกอย่างในความหมายของภาษาหรือของความหมายของพาะก็อยู่อย่างเนี่ยเช่นว่าร่างกายที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเอเป็นทุกข์ยังไงถ้าเราบอกแก่นี่ทุกข์เจ็บนี่ทุกข์ตายนี่ทุกข์ความวิบัติพัดพลากเนี่ยความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ย โศกะปริเทวะทุกขโทมนะเจาอุปาญาต์อย่างนี้เราถือว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าถามว่าความสบายกายความสบายใจนี่อย่างนี้จัดว่าเป็นทุกข์ไหมโดยทั่วไปก็บอกว่าเป็นสุขแต่ น, นางปทางภาษาพระก็บอกว่าเป็นวิปริณามทุกข์คือความสุขนั้นก็ไม่เที่ยงเพราะอยู่กับบุคคลใดกับบุคคลหนึ่งได้ไม่นาน แล้วมันก็จะต้องจากไปเหมือนกันทั้งๆ ท, ที่ความสุขนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขกายหรือสุขใจเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าความสุขนั้นไม่เที่ยงความสุขที่ไม่เที่ยงเนี่ยทางภาษาพราจึงเรียกว่าวิปริณามาทุกเพราะอัตว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราปรารถนาสุขใช่ไหมแต่ความสุขนั้นเราไม่ได้ได้ไม่นานเลยเดี๋ยวก็ต้องพลัดพลากเดี๋ยวก็ต้องจากไอ้อย่างนั้นเแท้ที่จริงเป็นการแสดง อาการทุกข์ของเขานั่นแหละคือคือความเป็นทุกข์ของของโรคของนามหรือของกายของใจทีนี้ไอความไม่ทุกข์เนี่ยแต่ความที่เป็นทุกข์เนี่ยอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสังขารทุกข์ไอสังขารทุกข์นี่สิ่งที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอันนี้นี่แหละเป็นไปในลักษณะของความความเป็นทุกข์มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามีการวิบัติพัดผ่าอยู่ตลอดเวลาทีนี้ โดยประเด็นก็คือว่ากรรมฐานนี่นะโดยสรุปก็คือว่าวิปัสสนากรรมฐานก็อีกอย่างหนึ่งและก็สมถะกรรมฐานก็อีกอย่างหนึ่งแต่กรรมฐานที่เหมาะแก่พวกเราทั้งหลายที่มีต้องอยู่ในเพศคารวะที่จะต้องไปตามที่ต่างๆมากมายแล้วก็จะต้องมีภารกิจมากมายกรรมฐานอย่างนั้นเขาเรียกว่าสัพพะทกกรรมฐาน สัพพะักกากรรมฐานก็แปลว่ากรรมฐานที่จําป่าถนาในที่ทั้งปวงในกรรมฐานที่จําปราถนาในที่ทั้งปวงนั้นเป็นกรรมฐานที่ควรปรารอบอยู่เสมอแล้วบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ได้ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรหรือทําการงานอะไรอยู่เนี่ยล้วนแต่ที่จะต้องปรารอบอยู่เสมออย่างนั้นเขาเรียกกรรมฐานที่เป็นประเภทสัพพะักกากรรมฐานอย่างเช่นการเจริญเมตตา การเจริญมรณะสติการระลึกนึกถึงความตายหรือการเจริญอสุภะกรรมฐานการพิจารณาโดยการเห็นโดยไม่สวยไม่งามอันนี้สามารถเป็นสัพพะทกะกรรมฐานคือสามารถพิจารณาได้ทุกทุกทุกทุกขณะที่เราตารบได้ไม่ว่าจะทำงานอยู่ก็สามารถที่จะระลึกในอันที่จะแผ่เมตตาหรือเจริญมรณสตินึกถึงความตายได้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่อย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมฐานที่พึงปาราบเสมอนั่นส่วนอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าปริหาริกะกรรมฐานปริหาริกะกรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานที่จําที่จะต้องบริหารอยู่เสมอก็คือจะต้องไปทําให้เป็นกิจลักษณะอย่างเช่นว่าจะต้องมีสถานที่ที่สงบปราศจาก เสียงรบกวนแล้วก็จะต้องมีสิ่งต่างๆเอื้ออํานวยพอสมควรเนี่ยนะตามอัถภาพแล้วก็ไปเจริญอย่างต่อเนื่องลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าปริหาริกกรรมฐานสามารถที่จะเจริญกรรมฐานเป็นปัจจัยให้ได้ฌานสมาบัตินั่นหมายถึงเจริญสมถกรรมฐานและถ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกําหนดรูปนามให้รู้ตามความเป็นจริงลักษณะอย่างนั้นก็ให้พิจารณาด้วยความ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยก็สามารถเข้าถึงความจริงเข้าถึงสภาวะสัจจะหรือความจริงของชีวิตได้อย่างแท้จริงในในเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องในลักษณะที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าในโลกเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยสมมติ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าจะดูเป็นเรื่องสมมติกันขึ้นมาทั้งนั้นทีนี้โลกที่สมมติเนี่ยสมมติครอบอะไรครอบธรรมชาติ คร อ, อบสภาวะตามความจริงครอบสภาวะสัจจะเอาไว้คือโลกใบนี้อุบัติเกิดขึ้นมาอันนั้นเป็นไปตามความจริงของธรรมชาติก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ต้องสลายไปโลกใบนี้เป็นอย่างนั้นแม้แต่โลกใบเล็กๆกล่าวคือขันห้าของเราก็เหมือนกันคือกายกับใจรูปกับนามเนี่ยก็เป็นโลกโลกหนึ่งที่อุบัติเกิดขึ้นมาก็มีการเกิดขึ้นเป็นเบื้องในเบื้องต้น แล้วก็ทรงตัวอยู่ในท่ามกลางแล้วก็ต้องแปรปวนไปในที่สุดนั่นแหละคือสภาวะตามความเป็นจริงเมื่อเราได้โลกใบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มาบัญญัติว่าชื่อดําชื่อแดงชื่อขาวชื่อเหลืองอะไร ก, ก็แล้วแต่นั่นคือบัญญัติที่เป็นสมมุติลงไปในในในสิ่งที่เป็นปรมัตดทีนี้บัญญัติแค่ชื่ออย่างเดียวแล้วยังไม่พอนีคนอื่นก็รับรู้โดยสถานะว่ามีชื่อ ต่อมายังมีบัญญัติว่าเป็นตำแหน่งเป็นหน้าที่เป็นการงานและให้ทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยซ้อนกันเป็นสิบสิชั้นยี่สิบชั้นขึ้นมา น, นั่นเขาเรียกบัญญัติที่คุมสมมุติเนี่ยเพราะคําว่าสมมุติเนี่ยมันมาจากคาว่าสมะสอเสือกอมมาเนี่ยขับสมคํานี้นะมันมาจากคาว่าสังสังตัวนั้นเขาแปลว่าร่วมกัน คําว่ามติเนี่ยก็าแปลว่าข้อตกลงสมมุติเนี่ยก็คือว่าข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงร่วมกันฉะนั้นเรื่องต่างๆเป็นข้อตกลงร่วมกันในหมู่นั้นในคณะนั้ น, นก็สามารถที่จะเข้าใจกันได้ที่เคยยกตัวอย่างที่บอกว่าเหมือนกับคนทำสวนเนี่ยถามว่าการรดน้ำพรวนดินการใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยนั้น ผลเพื่อต้องการอะไรต้องการว่ามีความเจริญของต้นไม้มีดอกมีผลมีก้านมีใบมันจะตรงกันนี่ไหมสร้างเหตุคือคื อ, ค, อคือทำสวนปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยรดน้ําพรวดินก็ทําให้ต้นไม้เจริญ ก, ก็งามเป็นไปตามธรรมชาติแต่ต้นไม้นั้นถึงเราไม่รดน้ําไม่พรวนดินไม่ใส่ปุ๋ยด้วยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่อาจจะไม่นะแต่มนุษย์ฉลาด พอฉลาดขึ้นมาก็ใช้วิธีการไปเล่งไปรดน้ําไปอะไรต่งางไอ้ต้นไม้นั่นก็เจริญงอกงามเมื่อต้นไม้นั้นเจริญงอกงามแล้วเนี่ยอย่างนั้นก็เรียกว่าเหตุคือการทําสวนผลคือความเจริญของต้นไม้แต่ถามแล้วคนทําสว น, นคนทําสวนนั้นก็ก็ต้องมาตั้งกติกากันตั้งกติกาว่าถ้าคุณดูแลสวนหนึ่งเดือนให้เจ็ดันบาทนะอย่างนี้เขาเรียกสมมุติใช่ไหม กติกาที่สมมุติไปๆไปมาๆมันก็เลยบอกว่าทําสวนแล้วได้เงินเห็นไหมมันซ้อนกันมาอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วทําสวนคือต้นไม้เจริญเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรมมธรมชาติแต่ที่ว่าได้กติกาได้เงินมานั้นเป็นข้อตกลงข้อตกลงเนี่ยยุติกันเมื่อไหร่ก็ได้กติกาตัวนี้แต่เมื่อหลกคนไปหลงสมมติเช่นว่าหวังเฉพาะเงิน แต่ไม่ได้ใส่ใจในการลดน้ำผลดินใส่ปุ๋ยผลโดยธรรมชาติก็เสียพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้สังเกตดูว่าชีวิตที่เป็นอยู่ของพวกเราเนี่ให้มาดูว่าคาว่าสมมติเนี่ยมันมากจริงๆเราเกิดมาจนอายุขนาดนี้เราเราติดกับสมมติหมดเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ชื่อเด็กหญิงนะเด็กชายเนะี่พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเป็นนักเรียนหญิงนักเรียนชาย ต่อมาก็เป็นมีตำแหน่งหน้าเป็นลูกเป็นอะไรต่างๆมากมายบางทีอยู่ในโรงเรียนก็ตั้งอะไรเป็นหัวหน้าสมมุติเหล่านั้นล้วนจะเป็นสิ่งที่ต้องทําจริงทั้งนั้นนะนะแต่คือเป็นสมมุติว่างั้นเถอะและในที่สุดก็คือมาสมมุติเป็นแม่บ้านมาสมมุติเป็นแม่มาสมมติอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้สมมุติอยู่บนโลกของความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงนั้นก็คือสภาวะที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ตลอดเวลา โดยความเป็นอันนีจังคือไม่เที่ยงทุกขังโดยเป็นทุกข์แล้วก็อนัตตาโดยไม่มีสาระแก่นสารเนี่ยมันจะเป็นมันอยู่อย่างนี้ตลอดเราก็มาสมมุติพอสมมุติขึ้นมาแล้วเนี่ยไอความรู้สึกของเรามันเลยติดชั้นแค่สมมติแล้วเราออกจากสมมุติไม่ได้ตอนความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็เพราะเราออกจากสมมุติไม่ได้แล้วตั้งสมมุติหลายชั้นจัดเช่นแค่คนจะควบคุมแค่คนงานอย่างเดียวต้องมียันถึงผู้จัดการลองมาตามลําดับ เราก็เลยไม่เห็นตัวตนจริงๆเลยว่าอะไรเนี่ยพระบรมศาสดาถึงบอกว่าคําว่าสภาวะสัจจะหรือปรมาทสัจจะเนี่ยจริงโดยสภาวะของปรมัาสเช่นยังไงเช่นทุกข์เนี่ยกายกับใจเนี่ยเป็นทุกข์จริงๆทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะตายทุกข์เพราะวิบัติพัดพลาดทุกข์จริงๆนั่นคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของพวกเราอยู่เนี่ย มันเสียดแทงมันเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศอนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับร่างกายของพวกเราเนี่ยถามว่ามีใครบ้างเคยคิดว่าเป็นระเบิดเวลาเนี่ยเคยใส่ใจอย่างนี้หรือไม่ลมเลือดนึตาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้าหัวใจตาหูจมูกลินกายใจถึงนี่เป็นต้นแต่ละจุดนั้นล้วนเป็นระเบิดทั้งนั้น จุดไหนที่เราเบิดคือจุดนั่นเสียไปก่อนนะนั่นเขาเรียกระเบิดย่อยบางคนก็หูไปแล้วบางคนก็จมูกบางคนก็ตาบางคนก็อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมันพังไปทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นยและในที่สุดก็คือแตกสลายหมดมันไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะนะัลักษณะอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์นกในตัวของมันเองนะในตัวของมันเองนะมันก็เป็นทุกข์ คุกโดยการที่ต้องบีบคั้นตลอดเวลาเสียดแทงตลอดเวลาท่านจึงสอนว่าเป็นดังลูกสรเป็นดังหัวฝีเนี่ยเป็นหลุมฐานเพิงไงมันเป็นอย่างนั้นจริงแต่โดยโดยพวกเราเวลาพวกเราทั้งหลายที่เรามองแล้วเนี่ยเราจะมองว่าให้มันยังดีอยู่นะไอ้ส่วนตรงนั้นก็ยังดีอยู่ตรงนี้มันก็ยังดีอยู่ไม่ใช่ที่เราเห็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันมองด้วยอะไรเนี่ยเรามองด้วยอะไรถ้ามองด้วยโลภะเนี่ย ก็ยินดีพอใจน้องตัวเองเราก็สามารถมองด้วยโลภะได้ถ้าเรามองได้โทสะเราก็ไม่ไม่พอใจบางส่วนบางอย่างในร่างกายของเราแต่ถ้ามองได้โมหะมันก็หลงมันก็ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงถ้ามองด้วยกุศลอกุศลประเภทไหนถ้ามองได้ศรัทธาสติเห็นไหมหรือมองได้สติระลึกได้ก็ยังเป็นปัจจัยในการที่เอ้จะเอาร่างกายเนี้ยนี่อันที่จะเจริญทานอกุศลศีลอกุศลก็ว่ากันไป ถ้ามองด้วยปัญญาปัญญาระดับไหนปัญญาในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็หลายขั้นตอนเช่นว่าพอมองด้วยปัญญาหรือมองด้วยกุศลเนี่ยเราก็พิจารณาดูแล้วเอ่อล่างกายของเราเนี่ยเมื่อพิจารณาดูอย่างนี้เราก็พิจารณาเอ๊จะทําทา น, นากุศลอย่างไรดีจะทําทา น, นากุศลอย่างไรดีบอกเอ๊ทานกุศลนั้นก็ถ้าคนมีปัญญาก็เข้าใจในเรื่องของทา น, นากุศล เมื่อเข้าใจในเรื่องของทานในกุศลแล้วเนี่ยก็รู้ทันทีว่าการทำทานเนี่ยเพื่ออะไรถ้าคนที่เขามีปัญญาจริงๆเนี่ยเขาจะรู้เลยเนะว่าการทำทานนั้นเพื่ออะไรเช่นว่าการทำทานที่ที่เป็นปัจจัยเพื่อเจะละมัชชริยะคือความตนีเนี่ยลักษณะอย่างนี้ เพราะไม่ได้ทำทานเพื่ อ, อยางอื่นเลยทำทานเพื่อว่าโดยโดยหวังจะตัดมัชชริยะเช่นอย่างนี้ถ้าการปารบในการทำทานเนี่ยถ้าถามว่าเอเวลาเห็นคนอื่นทำทานหรือให้ทาน่อนี้นในขณะ ท, ที่เราให้ทานเนี่ยถามว่าปารบอะไรถ้าเราปารบบุคคลอื่นเช่นว่าเอคนนั้นท้บริจาคห้าร้อยบาท เราก็มาปารบในใจว่าเออเราจะต้องทําให้มากกว่าบุคคลนั้นถ้าลักษณะอย่างนี้เป็นอะไรเป็นสารัมภะที่เป็นเป็นลักษณะของอกุศลไม่ได้เป็นบุญนะเพราะไปปารบในอันที่จะทําโดยปารบเพื่อจะแข่งขันเขาเห็นไหมเนี่ยถ้าขาดปัญญาแม้ให้ทานก็ผิดอะถ้าปาราลบยังไงเดี๋ยวที่จะถูกพิจารณาดูโอ้อย่างเราเนี่ย มีมัจฉริยะคือความหงเหนมากจริงๆถ้าเราทำเพียงห้าร้อยเนี่ยไม่ตัดมัจฉริยะได้ใจก็ยังเป็นทุกข์และยึดถืออยู่อย่างนั้นเลยเมื่อปรารบอย่างนี้เสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเราเนี่ยจะต้องทำให้ได้มากกว่านั้นเมื่อปรารบในลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าจะทำให้มากกว่าโดยการปรารบที่จะขจัดมัจฉริยะคือความตนีของตนเอง เมื่อปารบลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยทำบุญการทำบุญลักษณะอย่างนี้เป็นกุศลนะการทาบุญลักษณะอย่างนี้เป็นกุศล น, น, นี่อย่างหนึ่งทีนี้เกี่ยวกันในเรื่องของการเจริญกุศลเนี่ยในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยนะ ล้ท่านในในชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยในการเจริญกุศลนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพึงกระทําอย่างยิ่งเลยเนยอะอาที่พึงจะกระทำอย่างยิ่งนั้นก็เพราะอย่างเมื่อกี้ที่ปารบในเรื่องของโดยเฉพาะในประจําวันเนี่ยประจําวันที่เราพึงจะต้องกระทําก็คือว่าถามว่าแม้แต่เราให้ทา น, นถ้าขาดปัญญาอย่างเดียวก็ผิดพลาดเลย ทีนี้ถ้าพูดสูงกว่านั้นไปอีกหน่อยคือการรักษาศีลถ้าขาดปัญญานี่ถามว่าเราจะรักษาศีลเพื่ออะไรบางครั้งก็รักษาศีลเพื่อสิ่งอื่นแม้แต่ในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยมีบริวารของนางวิสาขาบอกไปรักษาศีลรักษาโอโบโสดศีลที่ว่าเขาก็ถามว่ารักษาศีลเพื่ออะไรพวกรักษาศีลเพื่อที่จะทําให้ตนเองนั้น มีสามีที่ดีหรือว่าทำให้ตนเองนั้นเป็นภรรยาคนเดียวสามีไม่นอกใจหรือรักษาศีลเพื่อ ต, ต้องการที่จะได้บุตรชายหรือรักษาศีลเพื่อตอนเองนั้นมีทรัพย์สมบัติมากเห็นไหมการรักษาศีลที่มีจิตปราถนาในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นก็ยังชื่อว่ายังขาดปัญญาอยู่ฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยถ้าไม่มีปัญญากากับการรักษาศีล น, นั้นก็พลาด เพราะไม่ได้เป็นการรักษาศีลเพื่ออะไรเพื่อเป็นปัจจัยแห่งการละตัณหามานะทิฏฐิถ้าหากรักษาศีลเพื่อเป็นปจัจจัยการละตัณหามานะทิฏฐิอย่างนี้ช่เลยและอย่างหนึ่งก็คือว่าการเจริญภาวนาถามว่าทุกคนต้องการจะปรารบในอันที่จะเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถามว่าปัจจัยที่สาคัญคืออะไรคือปัญญา ถ้าขาดปัญญานั้นก็เพียงพอแก่การจะหลงลได้นิมิตสักอย่างหนึ่งก็ติดอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลหลงไหลได้เพื่อมว่านั่นแหละใช่แล้วของจริงนั่นแหละคือสภาวะที่ตนเองหวังอยู่และปรารถนาอยู่โดยเฉพาะบุคคลที่มีจิตที่วุ่นวายในปัจจุบันเนี่ยนะสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือชอบให้ใจหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วไปรับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นอารมณ์ เมื่อจิตนั้นไปรับอย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นอารมณ์และจิตก็นิ่งอยู่ก็ชื่อว่าเป็นความสุขของคนคนนั้นเช่นบางคนอาจจะเพ่งพิจารณาอะไรก็ได้ให้จิตหยุดและนิ่งแล้วก็คิดว่านั่นแหละสุขเห็นไหมว่าการขาดปัญญาก็ยังเป็นโทษแม้แต่การเจริญกรรมฐานเอาอย่างขั้นพื้นฐานในชีวิตประจาวันการอ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมแค่เราจะอ่อนน้อมประพฤต อ่อนน้อมต่างๆถ้าขาดปัญญาเสียหายอาจจะอ่อนน้อมเพื่อประสงค์สิ่งอื่นก็ได้ที่มันเป็นไปนเรื่องของกิเลสตัณหาก็ได้หรือการประพฤติประโยชน์ช่วยส่งข้อประโยชน์ต่างๆเนี่ยบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยถ้าขาดปัญญามั้ยขาดปัญญาที่จะรู้ตามความเป็นจริงก็เอาแลเป็นปัจจัยเกิดความไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ตามกฎกาอีกแล้วหรือว่าแม้แต่การ ให้ส่วนบุญเช่นว่าคำว่าให้ส่วนบุญในที่นั้นคือพวกเราทำบุญได้บุญแล้วเนี่ยก็อุทิศ ส, ส่วนบุญให้กับบุคคลอื่นถ้าขาดปัญญาก็อุทิศแบบผิดผิดไม่เข้าใจว่าอุทิศที่ถูกต้องนั้นคือยังไงหรือฟังไอ้หรือว่าการการอนุโมทนาส่วนบุญเช่นว่าเห็นคนทาดีเราก็อนุโมทนาเนี่ยถ้าขาดปัญยาก็อนุโมทนาพลาด คืออาจจะมองไม่เห็นชัดว่าคนนั้นน่ะดีแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเช่นว่าที่เขาทาดีนะทาดีอย่างไรเช่นว่าเช่นเวลาพระแสดงธรรมพระแสดงผิดหรือถูกก็ไม่รู้เพราะเราพื้นฐานขาดปัญญาพระท่านก็พูดไปหรือว่าผู้แสดงธรรมทั้งหลายเนี่ยก็แสดงกันไปแต่ถ้าแสดงที่ผิดแหละแต่เราไม่รู้การไม่รู้เราก็อนุโมทนา ที่เราอนุโมทนานั้นชื่อว่าพลอยเย็นดีกับเขาคือส่งเสริมครับเป็นการส่งเสริมสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมเนี่ยปัญญาถ้ามันขาดมันพลาดหมดและการฟังธรรมเอาพวกเราฟังกันนี่ยฟังธรรมนั้นเน่ยถ้าฟังแบบขาดปัญญาขาดการไตรตรองขาดการพิจารณามีมากมายที่ฟังแล้วโทสะเกิดก็มีฟังแล้วโลภะเกิดก็มีฟังแล้วโมหะเกิดก็มีฟังแล้วเกิดอิจฉาริษยาก็มี หรือฟังแล้วละราคะโทสะโมหะได้ก็มีเห็นไวลักษณะของการฟังก็ยังยังเป็นทักษะปัญญาถ้ามีปัญญาปัญญาก็ประคับประคองแม้แต่การแสดงธรรมหรือการพูดธรรมะสนทนาธรรมถ้าไม่มีปัญญาในอันที่จะพิจรารณาหรือพูดแล้วเสียหายอีก็แล้นี้แหละลักษณะของปัญญาอย่างเดียวถึงบอกว่าต้องศึกษาคําว่าศึกษาในที่นั้นก็คือต้องฟังให้เกิดความเข้าใจนี่โดยเฉพาะที่จะ จเจริญกรรมาฐานหรือว่าจะอบรมกรรมาฐานเป็นจึงเป็นเรื่องที่ที่ควรกระทำท่านกาหนดเอาไว้ว่ากรรมาฐานที่เหมาะสมเนี่ยคือหนึ่งเมตตากรรมาฐานสองมรณสติสก็คืออสุภะกรรมาฐานทีนี้ถามว่าเอมเมตตานี่สำคัญยังไงเมตตานั้นน่โดยมากแล้วเนี่ย เมื่อแถูกกล่าวควบคู่ไปกับคําว่ากรุณากรุณาให้สังเกตดูนะว่าโดยมากเอยเมตตากรุณาเออเมตตากรุณาก็เถอะการที่เรากล่าวอย่างนั้นแสดงให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราไปเข้าใจว่าเมตตากับกรุณาน่ะเป็นธรรมะข้อเดียวกันทั้งๆที่ไม่ใช่เอาไม่ใช่อย่างไงกรุณานั้นเนี่ยสามารถที่จะเจริญในในวาระหนึ่งส่วนเมตตานั้นก็สามารถที่จะเจริญในอีกวาระหนึ่ง เช่นว่าเราเห็นคนกำลังตกทุกข์ได้ยากและหรือจะตกทุกข์ได้ยากต่อไปในอนาคตเนี่ยในวาระนั้นอย่างนั้นควรเจริญกรุณาหรือถ้าหากเห็นคนที่กำลังหรือเราพอเอเราเราเจริญเมตตาเนี่ยไปให้กับเจริญเมตตาไปให้กับบุคคลทั้งหลายเนี่ย ใ, ในยามที่เขาปกปติเนี่ย ในขณะที่เราปรารถนาดีหวังดีมีความรักความเอื้อทอนเนี่ยในขณะนั้นเจริญเมตตาแต่ว่าเมตตานั้นถ้านนู้นบกว่าเออเราเมตตาถามว่าเออเราพิจารณาอย่างนี้ลูกเราเนี่ยเราเมตตามไหมเมตตาสามีภรรยาเมตตาไหมเมตตาเพื่อนเมตตาไหมเมตตาอะคนที่คนที่เป็นศัตรูเราเราเมตตาไหมมันเริ่มใจไหมแค่ตรงเนี้ย ความคิดมันก็จะเริ่มจะแปลกแยกไปเรื่อยๆแล้วถ้าถ้าคนใกล้ชิดเราคนที่มีอุปการะคุณกับเราเราเมตตาหรือพ่อแม่เนี่ยฉันเคยถามบอกว่าเอ๊ถามว่าเมตตาพ่อไหมเมตตาถ้าวันดีคืนดีมีคนช่วยอุปการะดูแลพ่อใช่ไหมยามพ่อเราเนี่ยเราก็ดีใจเราดีใจมากๆ แต่ในขณะเดียวกันเรบอกว่าเราเมตตาสามีไหมวอ้เมตตาสามีเมตตาภรรยาไม่เมตตาภรรยาก็วันดีคืนดีเหมือนกันมีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงก็มาช่วยอุปการลสามีเราเราจะมีความรู้สึกยังไงเขาคอยช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวดูแลให้ความรู้สึกของเราก็จะแปลกไปที่เอ้อที่เมตตานี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ถึงบอกว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องลักษณะเป็นต้นของเมตตาแล้วเนี่ย จเจริญเมตตก็ไม่ถูกฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ถามว่าแล้วเมตตานี่สำคัญยังไงทำไมจาเป็นต้องฝารบ 1. นชีวิตความเป็นจริงของพวกเรานั้นเราเราจเจริญกรรมฐานน้อยที่ไม่ได้จเจริญกรรมฐานนมากเพราะชีวิตเราหมกมุ่นกับการงานเป็นส่วนมากเมื่อเราหมกมุ่นกับการงานเป็นส่วนมากเนี่ย กรรมฐานก็ไม่มีในใจคือที่ตั้งของจิตใจก็ไม่มีการงานของใจก็ไม่มีเมื่อการงานของใจไม่มีนั้นจิตก็เข้าถึงความว้าวุ่นถึงความพุ่งสร้างลาคาญใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านถึงบอกว่าเอ๊ะแล้วกรรมฐานอะไรที่เหมาะแก่การที่จะเจริญได้ทุกโอกาสทุกเวลาท่านบอกว่าสัพพะทักกกรรมฐานคือกรรมฐานที่จําปรารถนาในที่ทั้งปวงในที่นั้นท่านยกเมตตาขึ้นกล่าวเขาไว้ ทีนี้เมตตาที่คำว่าเมตตาเนี่ยถามว่ามันแปลว่าอะไรก็แปลว่าความรักความรักความปรารถนาดีทีนี้ความรักความปรารถนาดีที่เป็นเมตตานั้นเนี่ยมันเป็นยังไงรักแบบลาคะได้ไหมความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความรักเหมือนกันเนี่ย ยินดีในรูปก็คือรักรูปนั่นแหละยินดีในเสียงก็รักเสียงยินดีในกลิ่นก็คือรักกลิ่นยินดีในรสก็คือรักรสนั่นแหละยินดีในสัมผัส ถ, ถูกต้องก็คือรักสัมผัสที่เย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นแหละความยินดีความความพอใจความไข่ความปรารถนาอันนี้อย่างันนี้เขาไม่เรียกเมตานีอย่างนี้เขาเรียกราคะเขาเรียกโลภะชื่อของโลภะมีทั้งหลายอย่างแล้วโลภะในเป็นสภาวะที่ฉาบติดด้วย เหมือนชิ้นเนื้อที่ที่ซั์เข้าไปในกระเบื้องที่ร้อนๆนหรือว่าแผ่นเหล็กที่ถูกไฟเผาให้ร้อนแล้วก็มีชิ้นเนื้อโยนเข้าไปเนี่ยมันก็ติดแกะก็ออกยากหรืออีกอย่างเหมือนกับตังที่ดักสัตว์สัตว์ทั้งหลายจะไปไหนไม่ได้ถ้าเป็นโดนหรือไปถูกสภาวะของราคะสภาวะของโลภะสภาวะของตัณหามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ในขณะที่ตัณหาเกิดขึ้นแรกๆที่ยังไม่มีกําลังเนี่ยก็เรียกว่าตัณหาเกิดแต่ถ้าหากตัณหานั้นตั้งมั่นและเจริญแล้ว น, นั่นเขาเรียกว่าตัณหานั้นเข้าถึงชั้นของการยึดติดแล้วเป็นสเนหะเป็นเป็นอาการที่ติดแบบแบบออกได้ยากแล้วมันติดที่ออกได้ยากนั้นออกอยังไงอย่างเช่นพวกเราทั้งหลายเนี่ยถามว่าโดยการเป็นจริงแล้วเนี่ยโหมากจริงๆนะ มันห่วงยังไงรู้ไหมอย่างเช่นในขันของเราในร่างกายจิตใจกายกายาวานาคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเนี่ยทุกจุดทุกอนูของร่างกายมันยึดติดหมดเลยมันยึดติดหมดแล้วก็วิ่งเที่ยวมองดูแล้วก็ยึดอยู่ทุกวันยึดอยู่ทุกวันขนาดป่วยแกเจ็บขนาดไหนก็ยังยึดอยู่นั่น ยังยึดอยู่นั่นแหละฉะนั้นมันฉาบติดจนหมดแล้วนี่นะมันยึดทีนี้หลังจากที่มันยึดเบ็ดเสร็จแล้วแต่นี้มันมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุแห่งการทํากรรมที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอันนั้นลนะักษณะของสภาวะของตัณหาทีนี้สภาวะของตัณหาเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่ายต่างจากโลภะตรงไหน ต่างจากเมตตาตรงไหนสภาวะของตัญหาบอกต่างแน่นอนที่ต่างก็คือต่างที่ว่าสภาวะเวลาเขาเกิดขึ้นมานี้เขาเป็นอกุศลแล้วก็เป็นบาปอากุศลด้วยเป็นบาปด้วยเกิดขึ้นมาแล้วก็เร่าร้อนในตัวของเขาเองด้วยนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นส่วนสภาวะของเมตตาเนะี่ยมันตรงกันข้ามอาคำว่าตรงกันข้ามแต่ดูคล้ายเหมือนกันเช่นเวลาเมตตาเกิดขึ้นเนี่ย เมตตานะั้นน่ะมีความเป็นไปในอันที่จะประพฤติประโยชน์ความรักความปรารถนาดีความหวังดีเนี่ยความหวังดีความรักความปร า, า, า, ารถนาดีในที่นั้นเนะ่ยเป็นตัวเมตตาแลแ้วเมตตาเกิดขึ้นเนะี่ยจะไม่มีความยึดถืออยู่ในนั้นเช่นรักแล้วไม่ยึดถือรักแล้วไม่ผูกไม่ผูกยึดแล้วไม่ติดในอารมณนะ์นั้นเนี่ยรักษณะอย่างนั้นนะ่ยเป็นเป็นเมตตาทีนี้ ลักษณะของเมตตานั้นน่ะต่างจากกรุณาต่างกันยังไงกรุณานั้นจะต้องมีสัตว์ที่กําลังมีความทุกข์เป็นอารมณ์แล้วก็ต่างจากมุทิตา ส่วนสภาวะของเมตตานะ่ยมันตรงกันข้ามถามว่าตรงกันข้ามแต่ดูคล้ายเหมือนกันเช่นเวลาเมตตาเกิดขึ้นเนะี่ยเมตตานั้นนะ่ะมีความเป็นไปในอันที่จะประพฤติประโยชน์ความรักความปรารถนาดีความหวังดีเนะี่ยความหวังดีความรักความปรารถนาดีในที่นั้นเนะ่ะเป็นตัวเมตตาแล้วเมตตาเกิดขึ้นเนะี่ยจะไม่มีความยึดถืออยู่ในนะั้น เช่นรักแล้วไม่ยึดถือรักแล้วไม่ผูกไม่ผูกยึดแล้วไม่ติดในอารมณ์นั้นลักษณะอย่างนั้นเป็นเป็นเมตตาทีนี้รักษณะของเมตตานั้นต่างจากกรุณาต่างกันยังไงกรุณานั้นจะต้องมีสัตว์ที่กําลังมีความทุกข์เป็นอารมณ์แล้วก็ต่างจากมุทิตา มุทิตานั้นจะต้องมีสัตว์ที่กำลังได้ประสบความสุขในเป็นอารมณ์แล้วก็ต่างจากอุเบกขาอุเบกขานั้นจะต้องเป็นสภาวะที่วางเฉยวางเฉยคือไม่มีอคติทั้งสี่ไม่มีฉันทาคติลำเอียงเพราะเพราะรนะักไม่มีโทษาคติลำเอียงเพราะกลัวไม่มีโมหาคติลำเอียงเพราะหลงแล้วก็ไม่มีปยาคติลาเอียงเพราะกลัว มันจะต้องต่างอย่างนั้นทีนี้เมตตาเนี่ยต่างจากการุณาและเวลาที่จะใช้เจริญเมตตาก็คือในเวลาปกติทั้งหลายสามารถที่จะระลึกนึกถึงในอันที่จะแผ่เมตตาไปยังบุคคลอื่นแต่จริงๆแล้วการแผ่เมตตาที่พึงจะทำเป็นเบื้องต้นนั้ น, นท่านสอนให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองบางคนบอกเอ๊ในชีวิตที่เกิดมาเคยระลึกนึกถึงและแผ่ เมตตาให้ตัวเองไหมเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยจริงๆนะถามว่าเคยระลึกหรือปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้านั้นพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกอย่างเงี้ยถามว่าเคยระลึกไหมเนี่ยบางคนเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยนึกให้ตนเองได้ดีมัวเมาอะไรต่างๆนี่สารพัดทีนี้ลักษณะของเมตตานั้นเนี่ยก็คือการมีความเยื่อใหญ่ หรือธรรมชาติที่มีความรากักความเอื้อทอนนั่นลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะของเมตตาแล้วก็มีการน้อมเอาประโยชน์เกื้อกูลเป็นกิจนะน้อมเอาประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยเป็นกิจคําว่าน้อมประโยชน์นั้นในที่นั้นคือน้อมประโยชน์ยังไงเช่นว่าเป็นการน้อมหรือเอื้อประโยชน์ มีการบริจาควัตถุเป็นต้นการให้ทานการแบ่งปันการช่วยเหลือการสง่งเคาะการอนุเคราะห์บุคคลอื่นลักษณะที่จะเห็นได้คือนั้นละลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนั่นคือลักษณะของเมตตาลักษณะเมตตาจะเป็นอย่างนั้นแล้วเมตตาเนี่ยจะต้องแสดงออกมาทางกายกรรมและวจีกรรมได้ด้วยนะ เช่นว่าพูดยังไงที่ประกอบไปด้วยเมตตาคนที่มีเมตตามากเนี่ยดูได้มีดูการงาน ร, รู้กิจของเขาได้ก็คือ ด, ดูว่าในขณะนั้นเขาพูดยังไงการพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตานั้นเป็นการพูดที่เป็นประโยชน์เนียพูดไทยกําลังใจพูดสงเคราะหหรือว่าการพูดในการปาราบธรรมะเนี่ยเป็นเมตตาวจีกรรมเลยนะถ้าเป็นเมตตากายกรรมก็คือเป็นการกระทําออกมา ไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งและนอนเนะี่ยก็มีอุกาศกายกรรมที่ออกมานั้นมีมีเมตตาเป็นตัวผลักดันให้เกิดส่วนเมตตามนโนกรรมนั้นเน่ยเป็นเมตตาจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือว่าจิตนั้นไม่เกิดความอาฆาตไม่เกิดความพยาบาทไม่เกิดความฟุ้งซ่านไม่เกิดความลำคาญใจมีแต่ปีติมีแต่สุขสมานาทเกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเมตตา นี่เมตตาเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นทีนี้พอพูดถึงลักษณะของเมตตาเนี่ยให้สังเกตว่าจะต่างจากราคาหรือโลภะก็คือถ้าโลภะเนี่ยมีความรักจะยึดถือว่านี่ลูกนี่สามีนี่ภรรยานี่ของของเรามันจะยึดติดหมดเละ ย, ยึดแบบอุปาทานยึดนะยึดแบบอย่างนั้นนะเป็นโลภะแต่ถ้ารักแบบเมตตาก็มีความรักก็รู้ว่านี่เป็นลูกเป็นสามีเปนรรยา แต่ก็มียึดถือถึงแม้ว่าจะพัดภาคจะจากก็ไม่ไม่ทมมานัดไม่เกิดโทสะไม่เกิดความร้องห่มร้องไห้เห็นไหมถ้าลักษณะของเมตตาก็จะรู้เหตุผลตามความเป็นจริงแล้วก็วางใจเป็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเมตตาฉะนั้นการเจริญจะบอกว่า อบรมเมตตาเจริญเมตตาเนะี่ยคำว่าเมตตาคำเดียวนี่ถามว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเมตตาเป็นยังไงเราจะเจริญยังไงเหมือนเราบอกว่าเราไม่เคยเห็นเลยก็บอกว่ามีเพชรอยู่เม็ดนึงนะแต่ทุกคนถามว่าเกิดมาที่นั่งกันอยู่นี่มีใครเคยเห็นเพชรไหมทุกคนบอกไม่เคยเลยแต่บอกให้เดินไปหยิบเพชรหน่อยแต่วางไว้วางไว้ห ว, วัวงกันจะเดินไปเดี๋ยวก็เจอถามแล้วในโลกใบนี้มีเฉพาะเพชรเท่านั้นหรือมีมากมายเลยเนี่ย หยิบหยิบก้อนหินแน่ๆนะที่พระโอกาสพาดสูงจริงๆหรือนนจะหยิบวัตถุสิ่งอื่นมาแล้วก็ไปสําคัญว่าเป็นเพชรก็ได้มันเหมือนกับการว่าไปเจริญเมตตาอบรมเมตตาเนี่ยเจริญยังไงลระดับแรกนั้นบอกอ๋อจงไปแผ่เมตตากันนะสัตเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เราแผ่กันทุกวันนะนะยิ่งแผ่ก็ยิ่งตบยุงทุกวันยิ่งแผ่ก็ยิ่งอาฆาตทุกวันเอ๊ะ แผ่ไปแผ่มาแล้วโจนจะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วแผ่เมตตาชาวพุทธแผ่เมตากันเป็นหมดเลยแต่ว่าชาวพุทธนั้นอาฆาตกันมากที่สุดถามไว้แลอะไรเลยสแสดงให้เห็นชัดว่าไม่รู้จากตัวเมตตาที่แท้จริงแล้วก็จเจริญอบรมเมตตาไม่ถูกอันนั้นเป็นปัญหาที่พวกเราจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะเมตตาน่ยเป็นยังไงเมตตานั้นมีการกําจัดอาฆาตเป็นผลปรากฏให้สังเกตได้ก็คือว่า บุคคลที่มีเมตตามากๆนั้นบุคคลนั้นไม่อาคตดไม่พยาบาทไม่ปองร้ายแต่ถ้าใครจิตใจขุ่นมัวมากในวันวันหนึ่งเนี่ยเต็มไปด้วยนิดน่อยก็ไม่ได้โลกเดินสะดุดกระท น, นิดเดียวก็ยังยังเพียงพอแก่การที่จะกล่าวพระรัตวาสออกมาแล้วอย่างงี้เป็นต้นเนี่นะหรือไม่กล่าวก็คุณอยู่ในใจหรือบางคนเนี่ยเห็นเพียงเห็นหน้าคนบางคนแค่นั้น ก็เพียงพอแก่การที่โทสะจะเกิดแล้วเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าเมตตายังไม่มีผลยังไม่มีจริงๆและการเจริญเมตตาที่บอกเป็นสัพพะถกกรรมฐานนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นปัจจัยแห่งการที่จะเจริญกรรมฐานเบื้องสูงมีสติปัฏฐานเป็นต้นและเป็นปัจจัยแห่งการค้นทุกได้ด้วยฉะนั้นบุคคลบางคนให้สังเกต ด, ดูแล้วเอ๊ะทำไมเนี่ยใจเราในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่เคยปาราลบกรรมฐานเลยเนะ ไม่อยากพอพูดถึงกรรมฐานเนะี่ยอย่างก็โอโหกลัวมากมันกลัวจริงๆไม่ใช่ไม่ไม่กลัวบอกกลัวบ้ากลัวอะไรสรารพัดนะนะหรือบางทีก็ไม่อยากได้ยินได้รับไปสังเกตได้เห็นชัดก็คือว่าไม่มีพื้นฐานในเรื่องของเมตตาเลยจะโดยธรรมชาติเขาเกิดขึ้นเองหรือโดยการที่เข้าไปเรียนรู้ตามความเป็นจริงไม่เกิดเมื่อไม่เกิดเนี่ยจิตที่จะปรารอบในเรื่องของการเจริญกรรมฐาน เบื้องสูงในอันที่จะทำวิปัสสนาพิจารณารูปนามตามความเป็นจริงไปไม่ได้จริงๆเพราะพื้นฐานไม่แน่นหรือไม่มีพื้นฐานที่จะเป็นปัจจัยแห่งการส่งเสริมทีนี้ก็ต้องมาดูอีกว่ามีการเล็งเห็นภาวะที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้น่าชอบใจเป็นเหตุใกล้เมตตานั้นเวลาจะเกิดเนี่ยก็ต้องเห็นบุคคลอื่นเป็นที่น่าชอบใจ คืออารมณ์ของเมตตาจะต้องเป็นอารมณ์ที่ดีนะสัตว์นั้นเป็นผู้ที่น่ารักน่ายินดีอันนั้นแหละเป็นอารมณ์ที่เอื้ออำนวยแก่การเจริญเมตตาได้ปัญหาก็คือว่าเวลาเราจะเจริญเมตตาในเบื้องต้นนี้ท่านึกบอกเอ๊ปลารบอะไรเมตตาเกิดได้ง่ายที่สุดเราลองนึกตัวเอในชีวิตประจําวันของพวกเราเรานึกถึงใครที่เมตตาเกิดมากนึกถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงอะไรต่างเ ที่นึกแล้วเมตตาไม่เกิดคึ้นึกถึงศัตรูคู่เวรเนี่ยถ้าป็นคนที่เป็นเวรกันเนี่ยพอนึกทีไรแล้วไม่ไหวที่มันไม่ไหวเพราะอะไรรู้ไหมในขนาดนั้นเน่ยเมตตาของเราเนี่ยกำลังมันน้อยการอบรมการเพาะการบ่มเนี่ยมันน้อยเมื่อ น, น้อยแล้วเนี่ยเลยเลยไม่เพียงพอแกอารมณ์นั อารมณ์มันแรงอารมณ์ที่เป็นปฏิฆะนิมิตเนี่ยอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยหรืออารมณ์ที่เป็นอนิจฐานลมนะอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันแรงมากอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเสียงเสียงสุนัขมันเห่าใช่ไหมเสียงสุนัขมันเห่าเนี่ยถ้ามันเหา่าแรงแรงขึ้นมาเนี่ยแค่นั้นก็โทสะก็เกิดเลยหรือบางทีเราไปเห็นคนที่ เคยกะทําผิดกับเรามากมายจริงๆเป็นเวรกับเราที่เราไม่ถูกชะตาเลยนะใช้คาว่าไม่ถูกชะตาคือเราไม่ชอบอนะบางคนบอกไม่ชอบพี่หน้าจริงๆคือไม่ชอบทั้งหมดนะ <c oughs> คือไม่ชอบไม่ชอบทีนี้อารมณ์อย่างนี้เนี่ยเป็นปจัจจัยเกิดโทสะฉะนั้นเมตตานั้นรู้ได้เลยว่าบุคคลนั้นอบรมเลยเจริญเมตตาหรือไม่เนี่ยให้ดูตรงนี้ เหมือนบางคนเนี่บวชพระมานานๆจะถามว่าพระมีเมตตามากขนาดั้นพระมีเมตตามากขนาดนั้นบางคนอู้ท่านบวชมานานแล้วเมตตาต้องมากถามว่าใช่นะมใช่ไหมเราเคยอยู่กับพระมาอะไรมานะแต่ทำไมบางองค์จุกจิกเหลือเกินนิดหน่อยก็ไม่ได้จุกว่าเงั้ยนนะถามเองแล้วอะไร ให้สังเกตดูว่าเมตานั้นไม่ใช่ไปนั่งเรียกหาเขาหรือไปนั่งอ้อนวอนเขาบอกสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยท่องกันได้ทุกคนเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยโดยมากแผ่เมตากันเป็นทั้งนั้นจะถามว่ามีไหม เมตตามีไหมคนละอย่างกันเลยนะท่องได้กับมีเนี่ยมันเหมือนเราไปท่องสูตรอะไรได้เยอะแยะหมดถามไว้แล้วมีไหมและเมื่อมีเมตตาแลแ้วเมตตาเกิดหรือไม่ยังอีกคนละอย่างกันนะถ้าเมตตาไม่เกิดการกระทาออกมาทางกายทางวาจาก็เป็นไปด้วยจิตที่ไม่สหอแล้วก็ด้วยเมตตาเมื่อไม่สั่นแล้วก็ด้วยเมตตานั้นชื่อว่าไม่เป็นผลจริงๆทีนี้ ถามว่าสมบัติของเมตตาคืออะไรความสงบความอาฆาตยายบาทได้นั่นเป็นสมบัติแล้ววิบัติของเมตตาละ่ะตัณหาเนี่ยถ้าตัณหาเกิดมากๆความปรารถนาความต้องการฉาบติดที่เป็นหลคะเกิดมากๆแล้วเป็นเป็นปัจจัยที่ทำลายเมตตาเพราะบางทีมันนึกว่าเป็นเมตตาโอ้ยรักลูกมากรักสามีภรรยารักทรัพย์สมบัติรักพวกค้องที่เป็นอันหาเนี่ย เป็นราคะเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นเมตตาแต่ที่จริงไม่ใช่เช่นว่าเรามีทรัพย์สมบัติชิ้นหนึ่งแล้วก็ยกให้ลกูกต่อมาลูกนั้นเกิดไม่เป็นไปตามอย่างที่ใจเราคิดไปๆมาๆก็เลยกลายเป็นโทสะเป็นอาฆาตเป็นพยาบาทไปนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นทีนี้เกี่ยวกัปในเรื่องของ ถามว่าเจริญเมตตานั้นได้อะไรเวลาเราพูดถึงเมตตาแล้วเนะี่ยถามว่าเจริญเมตตานั้นได้อะไรเจริญเมตตานั้นท่านกล่าวไว้พระผู้มีพระเจ้ากล่าวไว้ที่าเมตตายาภิกเวเจโตมุติยาเป็นต้นบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อได้ส่องเสรเจริญเมตตาเจโตมุต คำว่าเมตตาเจโตวิมุตตคือการทำจิตให้น้อมไปด้วยเมตตาเนเมตตาเจโตวิมุตต์ทำจิตนั้นให้น้อมไปในเมตตาเพื่อให้การกระทำทางกายทางวาจาออกมาเป็นเมตตากายกรรมและเมตตาวจีกรรมลักษณะอย่างนั้นนี่ได้เจริญได้อบรมได้ทาให้มากได้นาได้ทำให้เป็นเครื่องนำออกหรือแสดงออกแล้วเนี่ยออกจากอะไร ออกจากความอาฆาตพยาบาทถ้าเจริญได้และสามารถออกจากความอาฆาตได้จะมีอานิสงส์แต่ถ้าห่างไม่เจริญอบรมหรือทําให้มากแล้วยังออกจากความอาฆาตพยาบาทออกจากความโกรธไม่ได้จะไม่ได้อานิสงส์นี่ท่านไม่ได้ตรัสไว้นะแต่เป็นอย่างนั้นทีนี้อานิสงส์ของท่านก็คือนอนหลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของเทวดาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์ไฟยาพิษอาวุธกล้ำกลายไม่ได้จิตย่อมตั้งมั่นมีสีหน้าผ่องใสและก็ไม่หลงตายประการสุดท้ายก็คือเมื่อยังไม่แทงตลอดธรรมที่สูงกว่าเมตตาก็จะเป็นปัจจัยการเข้าถึงสุคติได้ท่านกล่าวอย่างนั้น เป็นนอนเป็นสุขเนี่ยนอนอยังไงนอนเป็นสุกเอนนอนยังไงนอนเป็นสุกเนี่ยนอนยังไงคือคือนอนนอนเป็นสุขก็คือคือนอนแล้วไม่ฝัน คนที่นอนฝันนั้นคือนอนแบบไม่สุขเนี่ยคนที่นอนเป็นทุกเนี่ยคือนอนก็ยากแล้วก็ฝันร้ายแล้วนอนก็ไม่ไม่สงบอากับตกริยาก็ไม่อยู่ในท่าเดิมกลิ่งมีหลายท่านั่นคือคนนอนเป็นทุกแต่ถ้าคนเจริญอบรมเมตตาออกจากอาขาตได้แล้วเนี่ยนอนก็เป็นสุข คือจิตสงบหลับได้ก็เร็วเพียงปารบเมตตากรรมฐานนิดหน่อยจิตก็เข้าถึงความสงบได้เลยเป็นอย่างนี้นจริงๆี่ลักษณะของบุคคลที่มีนอนนอนเป็นสุขคนบางคนนี่ในขณะที่นอนไปทั้งกัดฟันทั้งกลนทั้งอะไรสรพัดเลยนะมัน <c oughs> เป็นอย่างนีนจริงๆให้พิจรารณาด้ย เราเราพิจารณาตัวเราได้นะว่าเป็นผู้ที่เจริญเมตตาอบรมเมตตาหรือไม่ดูได้ตรงนี้ตรงที่ตนเองนอ น, เ, นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์และตื่นอีกเหมือนกันคนที่ขี้โกรธคนขี้โกรธง่ายเนี่ยเวตื่นขึ้นมาแล้วก็มีอาการที่หงดหงิ ด, ดคนปลุกไม่ได้เลยนะบางคนปลุกมาแล้วไม่ได้เลยปลุกไม่ได้ ที่ปลกไม่ได้นั้นก็เพราะว่าไม่เคยอบรมไม่เคยเจริญเมตตาไม่เคยสั่งสมเมตตาอะไรเลยนี่เขาเรียกว่าตื่นถ้าตื่นเป็นสุขนั้นคือไม่หงุดหงิดอาการไม่หงุดหงิดในขณะที่ตื่นนอนเนี่ยเราดูได้บุคคลที่มากไปได้โทสะหรือมีโทสะมากๆเนี่ยคือมองหน้ารู้เนี่ยเขาเรียกอจิตตะชารูปในรูปที่เกิดจากจิตรู้ มองก็รู้แล้วว่ายุงย่งยุ่งคิดหน้ายุง่งน่าจะยุง่งน่าจะยุง่งนี่ลักษณะาการตื่นตื่นเป็นทุกแต่บุงคนที่อบรมเมตตาเจริญเมตตาแล้วเนี่ยก็ก็สุขประการต่อมาคือไม่ฝันร้ายเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหฝันร้ายนี่ใครเคยฝันว่า นอนๆอนอยู่แล้วมีสุนัขไล่ไล่กัดโหวิ่งเหนื่อยวิ่งเหนื่อยลักษณะอย่างนั้นน่ะฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายก็หมายความว่าในขณะที่เจริญเมตตาอบรมเมตตานั้นนะ่ะย่อมจะเป็นปัจจัยทําให้มนุษย์นั้นหรือพวกเราันเองนะ่เกิดความไว้ใจนั่นเละ เพราะการกระทําที่แสดงออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมเนี่ยตลอดถึงมโนกรรมนั้นก็เป็นผู้ที่น้อมน้อมไปเพื่อประโยชน์น้อมไปเพื่อให้ทานรักษาศีลอบรมเจริญภาวนาน้อมไปในอันที่จะประพฤติประโยชน์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยและก็อยู่ต่อมาก็คือเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยในเรื่องนี้ท่านเป็นมีเรื่องสาทกเล่าเขาว่าเขาบอกว่าที่ที่แห่งหนึ่งเป็นที่ที่ว่า พระท่านไปเจริญกรรมฐานกันมีพระรูปหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ท่านศึกษาอบรมเจริญเมตตาจนชํานาญแล้วเนี่ยแต่ท่านเจริญเมตตาต่างจากไม่ใช่เป็นสัพพะทักกะกรรมฐานนะท่านอบรมเจริญเมตตาที่เป็นปริหาริกะกรรมฐานสามารถเจริญแล้วยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นมาได้ทําจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างมั่นคงแล้วฌานสมาบัติเกิดขึ้นกับท่านก็แปลว่าท่านนั้นออกจาก ออกจากไอ้อาคาดพยาบาทได้อย่างแท้จริงทีนี้อ น, นิสง์ก็เกิดกับท่านต่อมาเนะี่ยท่านก็ไปปารอบในอันที่จะไปเจริญกรรมฐานที่ป่าในขณะที่ท่านไปเจริญปารอบกรรมฐานในป่านั้นท่านก็จะแผ่เมตตาอยู่ตลอดการแผ่เมตตาของท่านนั้นก็คือปารอบในอันที่แผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนโดยการที่บอกว่าขอให้ข้าไปเจ้าพ้นจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกเรียนนี้เป็นต้นนะ ต่อไปก็แผ่เมตตาไปให้กระสับกระส่าทั้งหลายท่านเจริญจิตที่เกี่ยวกันในเรื่องของเมตตาอยู่เนืองนิดเลยท่านทําท่านอยู่อย่างนี้ทีนี้พอเจริญเมตตาอยู่อย่างเนี้ยเมตตานั้นก็แผ่ซ่านไปซ่านไปตามที่ต่างๆคนที่อยู่ใกล้ชิดก็คอยมีความสุขด้วยไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นแม้แต่เทวดาที่สิงสถิตในที่แห่งนั้นก็มีความสุขต่อมาเมื่อออกพรรษาเนี่ยครบสี่เดือนเนี่ย ท่านก็ปรารบในอันที่จะไปที่อื่นตอนคืนที่จะตอนท่านท่านจะจํำวัดตอนกลางคืนเนี่ยช น, นี้ก่อนที่จะจํำวัดในท่านได้ยินเสียงเสียงเสียงผู้หญิงร้องร้องไห้เอ๊ท่านก็นีม่มันเสียงอะไรไปไปมาท่านก็ถามไปไปมาบอกว่าเป็นเป็นเทวดาเทวดาไอพระเทวราก็ถามว่าเอ๊ะเนี่ยร้องไห้ทําอะไร แกบอกทราบข่าวว่าพระคุณเจ้าจะไปที่อื่นก็เลยไม่สบายใจใจเอาไม่สบายใจเรื่องอะไรแ็บอกแต่กราแหงเนี้ยเนี้ยพวกอมนุษย์ทั้งหลายพวกอสุรกายเนี่ยเป็นต้นนะเนี้ยแม้แต่เทวดาก็มึงโดยส่วนมากบางส่วนเนี่ยทะเลาะกันตั้งแต่ท่านมาอยู่สี่เดือนเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อ่าการทะเลาะเลยว่าไงรักใคร่กลมเกลียวประพฤติประโยชน์กันท่านจากไปแล้วก็นึกว่า เหตุการณ์ที่ทะเลาะเบาแวงจะต้องเกิดพระเถระนี่ท่านปราบโรคเออเมื่อเมื่อเราอยู่ตรงเนี้ยเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็เลยรับอาลัธนาเทวดานั้นอยู่ต่อเพราะออกพรรษาท่านก็จะปรารคไปอย่างเนี้ยเทวดาก็ร้องไห้อีกไปไปมามาท่านก็เลยต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้บรรลุอันนี้เป็นพระอรหันต์ เรื่องที่เล่าเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเชื่เห็นว่าเยาว่าแต่มนุษย์เน่ะแม้นแต่เทวดาก็รักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเยาว่าแต่ไม่ว่าแต่เฉพาะมนุษย์หรือเทวดาแม้นแต่สัตว์เะระฉา น, นให้สังเกตดูคนที่มีเมตตาจิตมากๆแม้นแต่สัตว์จะระฉานเนี่ยเขาก็รักเขารัก เป็นยังไง่นลักษณะของเมตตานะเพราะเมตตานั้นออกมาทางกายกรรมวจีกรรมแต่ไม่ใช่บางคนเกิดมาในโลกนี้บอกมีเมตตาแต่การแสดงออกยังไม่เคยรู้เลยว่าเมตยังไม่เคยเห็นเลยว่าเมตเป็นการแสดงออกแบบมีเมตตาถ้าลักษณะอย่างนั้นไม่ไม่ใช่แล้วแล้อีกอย่างก็คือว่ายาพิษต่างๆาอาวุธต่างๆไม่กร้ำกลายตรงนี้มีเรื่องเล่าเนะี่ยมีเรื่องเล่านางอุตรานะี่ นางอุตราเนี่ยเป็นทิดาของปุณณเศรษฐีในกรุงราชครื่ทีนี้อยู่ต่อมาเนี่ยนางอุตราเนี่ยไปได้สามีแต่สามีนั้นเป็นมิจฉาทิถี เ, าเราพอเป็นมิจฉาทิถีแล้วเป็นยังไงก็แปลว่าเป็นบุคคลที่ไม่เคารพในการให้ทานรักษาศีลในพุทธศาสนาเลยทีนี้อยู่ต่อมาเนี่ยนางอุตราเนี่ย เมื่อไปอยู่กับเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิถีเนี่ยไม่มีโอกาสได้ให้ทานรักษาศีลเลยเพราะว่าสามีญาติของสามเีเป็นต้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นมิจฉาทิถีไปๆมาๆก็เลยส่งข่าวนี้บอกให้กับพ่อพ่อก็เลยส่งทรัพย์สมบัติไปให้ลูกสาวอย่างมากมายเมื่อได้ทรัพย์สมบัติแล้วก็เลยไปหาจ้างจ้างผู้หญิงนะให้มาดูแลสามี ก็ไปเจอนางไปไปไปเจอไปจ้างคนที่สวยงามที่สุดเนี่ยเขาเรียกหญิงงามเมืองในียุคนั้นก็ไปจ้างมาเมื่อไปจ้างไปจ้างหญิงงามเมืองมาแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยก็ให้ดูแลสามีหญิงตนเองให้ปรนนิบัติให้ดูแลให้อุปถากให้อะไรต่างๆทุกอย่างอะแล้วตนเองก็ใช้เวลาว่างนั้นน่ะ ไปทําบุญอาราธนาพระผู้มีพระภาคจเจ้าเป็นต้นแล้วก็ทําบุญอยู่ตลอดในช่วงพรรษานั้นเนี่ยจะทําลักษณะอย่างนี้ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยมี <c oughs> มีไหม <c oughs> หาทำยาหยอดตายากโ <c oughs> ดยข้อแท้จริงไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้คือเมตตาเนี่ยนี่คนที่เจริญเมตตาเนี่ยไม่ยึดติดเลยว่าสามีของเรา จะต้องอยู่กับเราเท่านั้นแต่นี่เมย์พูดไปเพื่อให้คนนอกใจนะไม่ใช่เงี้ยนะแต่ว่าให้รู้ว่าสภาวะของเมตตานะี่ยไม่หวงไม่หวงแบบราคะไงแต่เพื่อประโยชน์แก่การให้ทานรักษาศีลนะก็ไปจ้างนางสตรีมาเนี่ยนางทตรีมานี่สวยสวยงามจริงๆสวยขนาดว่าเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินก็ยังแย่งกันใช่ไม่ใช่ก็จ้างมานางสตรีมาก็อู้ทีนี้ ในวันจะออกพรรษาเนะี่ยนางศริมาก็พร้อมได้บริวารก็ตัวเป็นเกลียวในอันที่จะจะทําอาหารหวานคาวนะเตรียมกันเตรียมที่เลยทีนี้ในขณะที่ทําอาหารหวานคาวอยู่นั้นเน่ยตัวก็ดําเกลียมเลยสา ม, มีอยู่บนหน้าต่างเออบนอยู่บนชั้นบนก็มองมาจากช่องหน้าต่างตอนนั้นนางสริมาที่ที่นาง อ, อุตตระจ้างมานั้นก็อยู่ด้วยเพราะดูแลกันมาต้องเป็นหลายๆเดือนแล้วนี่ เจ็นแกออกเป็นจ่าอยู่แล้วเนี่ยก็มองสามีเห็นเห็นเห็นภรรยางตนเองเน่ะตัวมอมแมมหมดก็หัวเราะเนะหัวเราะที่หัวเรานะนั้นนึกในใจว่าแหมหญิงโง่นึกนึ ก, น, กนึกว่าเมียงตัวเองนี่โ ง, ง่จริงๆมีสมบัติมากมายไม่รู้หาความสุขทำไมไปยินดีกับสมณะโลนเนีใช้คำอย่างนี้เ น, นี่ทำไมไปยินดีเอาจริงเอาจังเหลือเกินเพื่อจะให้ทานกระบุ ให้กับบุคคลประเภทนี้ว่างั้นน่าจะรีบหาความสุข ก, ก็เลยหัวเราะเยาะนางสตรีมานึกว่าสามีของนางอุตรานีหลงนางอุตรามากแล้วใจออกห่างตนเองซะแล้วนี่แค่นั้นละอาฆาตเห็นไหมอาฆาตแล้วนางสลรีมา ท, ทั้งท้งที่ไม่ใช่สามีจริงๆตนวเองให้มาดูแลเพียงสามเดือนยึดซะละ เนี่ยเขาเลิกยึดแล้วเป็นอย่างนี้นะคนก็ไม่ค่อยให้กันเพราะกลัวยึดนี่เองนางศรีมานี่ทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวก็ลงจากบ้านลืมตัวประเภทนั้นเลนะเดินเดินเดินไปก็ใช้ให้ภาชนาตะตักน้ําร้อนที่กำลังเดือดเดินไปก็ไปสาดใส่นางอุตรานางอุตราเห็นนางศรีมาเดินตรงดิ่งเข้ามาอย่างนั้น รู้ทันทีว่าจะต้องมาทำร้ายนี่ยถ้าเป็นพวกเราก็วิ่งหนีใช่ไหมแต่นางอุตรากับละลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เจริญเมตตาที่ตนเองทำมาอย่างต่อเนื่องตนเองทำมาอย่างต่อเนื่องนะจนออกจากอาคาตพยาบาทได้แล้วจิตของนางก็แผ่เมตตาให้กับ น, นางสิริมา ว่าไม่เคยอาคาดพยาบาลงานเลยด้วยจิตเมตตางตนเองอย่างนี้คอยเป็นเกาะคุ้มกันพยานาคทลายกับตนเองได้เลน้ําร้อนที่ถูกนั่นเนี่ยไม่ไม่ทําให้ลวกผิวเลยใครจะลองทําดูก็ได้เนะจะ <c oughs> ใครออกจากอาคาพยาบาลได้บอกด้วยเดีย๋ยวจะให้ลองหาคนทุกคนลองน้ําร้อนจัดดูนาะทีลองดูเนะี <c> ่ย <oughs> นีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตออกจากอาคาตพยาบาทได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่รักของเทวดาเขาอยู่ที่ไหนเป็นที่รักของเทวดาประการต่อมาก็คือจิตตั้งมั่นได้เร็วบุคคลที่ปารภในอันนี้จะเจริญกรรมฐานเบื้องสูงนะเป็นสมถานกรรมฐานประเภทที่ทําฌานสมาบัติเบื้องสูงให้เกิดขึ้นได้นะั้นเมตตาเนี่ย ทั้งมีเป็นสัพพติกะกรรมฐานทั้งเป็นปริหาทิกะกรรมฐานเนี่ยสามารถมากที่จะเป็นปให้จิตตั้งมัน่นโดยเร็วถามว่าในชีวิตประจํประจาวันของพวกเราเนี่ยจิตเราดิ้นหล่นซัดับจิตเขา อ, อุบมามาเหมือนอนั่นเหมือนเหมือนอะไรจิตเหมือนลิงใช่ไหมจิตเนี่ยเหมือนลิงในชั้นของอัตถาท่านว่าอย่างนั้นตาเหมือนอะไร ตานั้นเหมือนงูอ่าทำไมท่านอุปมาว่าตาเหมือนงูรู้ไหมตานั้นอยากจะดูในที่ลับๆซ่อนเล่นท่านถึงอุปมาอย่างนั้นทราะที่ที่ไหนที่เขาไม่ค่อยอยากให้ดูเนี่ยตามักอยากจะดูมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นเขาต้องเดินเดินเดินไปเนี่ยถ้าพวกเราทั้งหลายก็เห็นเขาเขียนเขาว่าก็ขาเขียนว่าห้ า, ามมองอลยนะ ความรู้สึกมันอยากจะดูเลยนะว่ามันอะไรกันหนอเนี่ยห้ามดูมนี่ก็ถึงอุปมาอยู่างเงหูนี่เหมือนอะไรฮะหูเหมือนอะไรจราะห์ <c oughs> <c oughs> ชอบชอบเย็นเย็นชอบน้ำลึกลึกเย็นเย็นเจลราะข้จะชอบอย่างี้ย <c oughs> พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันชอบเสียงที่มันเพลอ <c oughs> เสียงที่เอาใจถึงแม้โกหกก็ชอบ ขอให้เป็นเสียงที่เอาใจเสียงโกหกทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าเขาโกหกยังชอบแล้วเป็นเสียงไม่จริงด้วยนะเช่นว่าเวลาหนุ่มสาวเขาเขาเขาพูดกันที่บอกว่าแม่คิดถึงทุกลมหายใจเข้าออกไอ้คาคเนี้ยโดยข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ได้หรอกคำคเนี้ใช่ไหมคำคำนี้ทั้งๆ ท, ง ท, งที่เป็นคําโกหกแต่ชอบ หรือเวลาเห็นกันนานๆเจอหน้ากันก็โอ้ยังสวยอยู่เลยยังงามอยู่เลยทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้ตัวเราว่ามันหมดไปตั้งนานแล้ว <c oughs> เห็นไหมเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยโอจะชอบชอ บ, ชอบเต็มนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่หมดไปตั้งนานแล้วบอกโอ้สุขภาพดีจังยังดูดีอยู่เลยอะไรที่จริงมันไม่ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าแต่เราก็ชอบนะถ้าคนพูดตรงๆเราก็โกรธ ถ้าลองพูดตรงๆดูใช่ไหมเจอหน้ากันถ้าอย่างนู้ปาลบทำมาหากันจริงๆเนี่ยเอ๊ถามเอ๊เมื่อไหร่จะตายสมมติอย่างนี้โอ้โหที่โกรธเลยนะคำคำนี้หูฟังไม่ได้เลยเนี่ยเอ๊ทำไมเรียกงั้นเอ๊อยู่มานานเมื่อไหร่จะตายสักทีสมมติอย่างนี้โอ้โหใช่ไหมคําพูดอย่างนี้มันมันฟังแล้วมันมันหูจะไม่ชอบเจ้าโมก็เหมือนอะไเหมือนนก นกเนโผผิบินไปในอากาศก็ชอบกลิ่นที่ดีชอบกลิ่นที่ดีด้วยนะกลิ่นหอมหอมกลิ่นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนี้ให้จมูกจะชอบจะชอบอย่างนั้นถ้าเป็นกลิ่นที่ไม่ดีในทุกคนก็